ขอนอบน้อมตับคุณบรัชตะไตร้กลการเพื่อนสันตมิทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่า น, นวันนี้ก็ตอนเช้านี่ก็รู้สึกว่าอากาศก็จะค่อนข้างหนาวเนาะก็ต่างจากเมื่อวานเมื่อวานก็รู้สึกจะสบายกว่านี้นะแต่วันนี้ก็จะหนาวกว่าเมื่อวานนะไม่รู้กี่องศาน่าจะสิบกว่าองศา นะอืมบางทีมันก็เลยรู้สึกว่าทรมานเหมือนกันเนาะในขนาดบางทีเอาผ้ามาผมก็ยังรู้สึกหนาวๆเลยนะแล้วมันก็บางคนจะมีโรคไัยไข้เจ็บตา ม, มาเนาะอาจจะมีการไอการเวียนศรีรษะต่างๆ ต, ต, ตามมาจริงๆที่วัด น, นี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะอย่างช่วงที่สักอ า, อาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาก็นาว่านี้เยอะ เหลือประมาณ 13-14 องศาบางครั้งดูแล้วน่าจถึง12องศานะในช่วงประมาณอาทิตย์กว่าที่ผ่านมาแต่เมื่อสักสองวันนี้ก็อากาศเหลือสักอประมาณ20องศานมะในช่วงเช้าก็ประมาณ20องศาแต่วันนี้ก็น่าจะ10กว่าองศามันก็เปลี่ยนแปลงเนี้ยก็เลยคนที่ปกติก็จะไม่สบายได้เนาะ ความเปลี่ยนแปลงนี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะมันแม้แต่ในหน้าฝนก็เหมือนกันนะปีนี้ถือว่าฝนตกน้อยปีก่อนก็ฝ น, นตกเยอะเพราะว่ามันมีความจำเป็นในเรื่องฝนนะมันมีสระน้ำที่ว่าน้ำพร่องไปเยอะไม่ค่อยมีน้ำก็อยากจะให้ฝนตกเยอะๆในช่วงนี้บางทีบางครั้งนี่เห็นเมฆตั้งเข้ามามืดดำมืดเลยนะก็คิดว่าน่าจะตกแน่นอน นะแต่ปรากฏอีกสักพักหนึ่งก็ลมพัดแรงๆเมฆหายหมดเลยท้องฟ้ากลับสว่างนะไลเ่เมฆหมอกเลยโอ้ก็ผิดหวังนวฝนก็ไม่ตกอีกนะแต่บางครั้งดูเหมือนฝนก็จะไม่ตกแต่ก็กลับตกก็มีนะมันจึงคาดเดาได้ยากมากนะสำหรับอากาศต่างๆนะสิ่งเราเนี่ยเป็นความที่เรียกว่าเป็นความอ่นะ เป็นไปของธรรมชาตินะั่นที่เราเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะเราจะให้เขาตามที่เราต้องการไม่ได้ให้ฝนตกตามที่เราต้องการไม่ได้ให้อากาศตามเราต้องการก็ไม่ได้นะอย่างเช่นหน้าหนาวบางคนก็อาจจะชอบนะบางคนที่มาจากกรุงเทพนี่แหละโอ้มาได้สัมผัสอากาศหนาวนี่ก็ชอบมากนะอยากจะขึ้นไปพักเหนือไปสัมผัสแม่คันิงนะไปดู อ่ไปสังเกตสิ่งต่างที่มันแปลกๆกไปนะได้สัมผัสอากาศหนาวนาอ่ไปนอนบนยอดดอยอ่ามีความสุขนะแต่บางคนก็กลับโอ้รู้สึกทรมานนะคนที่มีเครื่องกันหนาวน้อยนี่จะทรมานมากบางครั้งที่เคยปะสมด้วยตัวเองนะบางทีก็เคยไปตามเที่ยงต่างที่อ่าผ้าหมไม่เพียงพออ่าซึ่งเรานาติดตัวไปเล็กน้อยนะบางทีหนามากๆนี่ก็ต้องลุกมานั่ง เพราะการนั่งนี่ทําให้เราหนาวน้อยลงนะแต่ถึงแม้นั่งมันก็มีความทรมานนะมันก็รู้สึกว่าเออมันต้องทรมานเพราะความหนาวเหล่านี้นะครั้นี้เมื่อเรามาศึกษาธรรมะดูก็มาสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆมันเป็นไปเพื่อความทุกข์ทรมานทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าอากาศมันจะเป็นอย่างไรอ่านะเวลามันร้อนเราก็รู้สึกว่ามันก็ทรมานอ่าฝนตกนะมันก็ทรมานนะ อ, อ่อบางที ไปเดินตางฝนหรือบินระบาดนะหรือบางทีก็ไม่ต้องการฝนฝะนตกมันก็มีความทรมานอยู่ในตรงนั้นนะพื้นก็แฉะไปไหนก็ลําบากนะอยู่กรุงเทพ ม, มันก็จะรถติดนะหน้าหนาวก็ทรมานอีกนะถ้าเสื้อผ้าไม่พอเครื่องนุ่มของไม่พอต่างๆก็ทรมานเด็กนะบางทีที่คนมาทําวัดน้อยในตอนเช้านี่ก็ จ, จะมีส่วนหนึ่งนะว่าเป็นความที่เรากาไม่อยากทรมานเพราะหน้าหนาว นะแต่ถ้าอากาศดีๆคนก็จะมาทำวัดกันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็สังเกตได้ว่าจริงๆแล้วมันทุกอย่างมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเนาะไม่ว่าจะอากาศอะไรก็แล้วแต่นะคนก็เลยต้องหาเครื่องบาบัดทุกขนะ์นะพอหน้าหนาวก็เอาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาเอามาใช้กันนะเพื่อที่จะให้อากาศนะน้ำที่ออกมาเนี่ยมันจะได้อุ่นๆให้มีความสุขความสบายสมควร นะอยู่ในห้องร้อนก็ต้องไปเปิดแอร์กันนะอันนี้ก็เรียกว่าเราบันเทาทุกข์นะจะเห็นว่าเออมันก็มีความทุกข์แล้วเราก็บันเทาทุกข์นั้นนะอนะครันนี้การบันเทาทุกข์นี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้นะนะอย่างที่เรานั่งเนี่ยเราก็ปวดเมื่อยก็อยากจะขยับแค่งขยับขานะพอขยับปุ๊บโอ้มันก็เบาขึ้นนะอ่เบาขึ้นนี่แหละคือการบันเทาทุกข์แล้วนะนะ บางทีเรานั่งนานๆเราก็ปวดเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมายืนนะมันก็เป็นการเบาเทาบรรเทาทุกอย่างหนึ่งแต่เราจะสังเกตไหมว่าเป็นการบรรเทาทุกข์และการบรรเทาทุกข์มันก็คือมันต้องเกิดทุกข์ขึ้นแล้วเราจึงบรรเทาเขาเราหิวก็เหมือนกันนะไปทานอาหารก็เป็นการบรรเทาทุกข์แต่ขณะที่เราทานไปแล้วเนี่ยเรารู้ไม่ว่าเป็นการบรรเทาทุกข์และความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วนะอืม เราง่วงนะแล้ว เ, เราก็ไปนอนการนอนก็เป็นการบรรเทาทุกข์นะเ ร, เรารู้ไหมว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วแล้ว เ, เราก็ไปนอนนะเราหิวก็หายนะเราเปลี่ยนอุบันะเราใส่เสื้อหนาวนะเราเปิดแอรนะ์เราทานอาหารดื่มน้ำนะเราเดินยืนนั่งนอนต่างๆจริงๆแล้วเป็นการบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นเลยนะแต่เราก็ไม่รู้สาเหตุว่า จริงๆมันมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปบรรเทาทุกข์แต่เราก็ทําด้วยความเคยชินเปน็นอัตโนมัติไปเช่นนั้นนะตรงเนี้ยเมื่อเราทําด้วยความเคยชินเราจึงไม่เห็นความจริงอเมื่อไม่เห็นความจริงเราก็ไม่ประจัดแจ้งว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเนะพราะเรามีความเคยชินที่จะแก้ที่จะบรรเทาทุกข์โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเราจึงมองไม่เห็นทุกข์กันเนาะ เราตรงนี้เป็นจุดสําคัญว่าเราเห็นทุกข์ไหมนะถ้าเราเห็นทุกข์เราก็จะเข้าใจธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีมีแต่ความทุกข์เท่านั้นนะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนะความทุกข์เป็นสิ่งที่มันประจํากายของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วนะลองดูเด็กทารกที่เกิดมานะเกิดมาปุ๊บเราจะไม่เห็นเด็กทารกคนไหนเกิดมขึ้นมาเล่าหัวเราะนะ ถ้าใครเห็นหัวร้องนี่โอ้แปลกมากเลยนะเด็กทารกเกิดมาแล้วส่วนมากก็จะร้องไห้กันนะเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยอเขาก็จะกระทบอากาศร้อนอาการหนาอากาศเย็นเขาก็มีความทุกทันทีเขาก็ร้องไห้นะแต่ถ้าไม่ร้องเป็นยังไงนะหมอก็จะตีก้นให้เขาร้องน ะ, ะเขาบอกว่าเออเนี่ยเกิดมาแล้วมันก็มีความทุกข์เลยนะอะเราทุกข์จากเด็กๆแล้วนะอะ่โตขึ้นมาหน่อยอ่ เป็นเด็กมันก็ไม่ว่ามีความสุขสบายนะมันก็มีความทุกแบบเด็กใช่อหมอชี้รถที่นอนบ้างอะไรทั้งหลายแหลนะหรือออาจจะโดนพ่อแม่ทําโทษเพราะเราไม่เชื่อฟังนะอีกหน่อยไปโรงเรียนนะก็ต้องเรียนหนังสืออนะ่ถ้าเราเรียนเก่งก็ไปเป็นอะไรถ้าเ ร, าเรียนไม่เก่งก็มีความทุกข์กับการเรียนหนังสืออีกอ่นะมันก็คิดว่าเออต่อไปโตเป็นผู้ใหญ่ ขึ้นมาก็จะมีความสุขบ้างหรือเรียนหนังสือจบก็จะมีความสุขบ้างก็ตั้งใจเรียนไปนะเข้ามาหาวิทยาลัยนะถ้าเราเรียนไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกมันก็มีความสุขบ้างทุกบ้างแต่มันก็รู้สึกมันก็ไม่สมบั ง, บงเพราะว่าเงินเราก็ยังไมีใช้น้อยนะก็คิดว่าเออเมื่อเราจบไปทํางานก็คงยังมีความสุขนะแต่เมื่อจบไปจริงๆไปทํางานมันทุกข์กว่าเรียนหนังสือนะอ่านะถ้าคนไปทํางานนี่จะรู้เลยนะ มีการแข่งขันกันการอิจฉาลิษยาอแล้วก็การงาที่ว่าประสบกับงานที่เราไม่ชอบต่างๆเนี่ยมากมายมันมีความทุกข์ทั้งนั้นะตอนนั้นก็เคยคุยกับใครคนหนึ่งก็เขาบอกบอกว่างานเนี่ยเขาทาแล้วก็มีความสุขมากเป็นงานที่เขาได้เงินด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยแต่จําไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรนะบอกว่าโอ้โหนี่โชคดีมากเลยนะ ทำงานที่แล้วมีความสุขเนี่ยมันมันมีมีความโชคดีมากเพราะคนประมาณสัก 80% เอร์ซนเี่ยเขาทํางานต้องการเงินเท่านั้นเองนะแต่เขาไม่มีความสุขกับการทํางานหรอกนะมันก็ทํางานให้ผันผ่านไปเท่านั้นเองนะคนที่ทํางานแล้วมีความสุขนี่ถือว่าโชคดีมากแต่ก็มีน้อยนะมีมีน้อยมากเช่นนั้นนะที่ว่าทํางานแล้วมีความสุขเพราะการทํางานเป็นการทำหากินอย่างหนึ่งต้องมีการแข่งขันกัน นะใครที่ค้าขายก็รู้ว่ามันมันลำบากนะอแข่งขันกันมากมายนะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็นอนดึกๆึกนะไม่งั้นก็ทําไม่ทันเขานะทํางานทุกอย่างมีแต่การแข่งขันทั้งนั้นนะเวลาไปทํางานก็นั่งรถรถก็ติดนะทุกอย่างจริงๆแล้วก็มีแต่ความทุกข์แม้แต่เราไปทํางานที่เราคิดว่ามีความสุขแต่กว่าจะาไปถึงตรงนั้นมันก็มีความทุกข์มาก่อนแล้วอ่านะนะนี้เมื่อเราทํางานแล้วนะ มันก็รู้สึกก็มีความทุกข์กว่าเรียนหนังสือนะเมื่อก่อนเราเคยหวังจะมีความสุขแต่จริงๆก็มีความทุกข์เราก็คิดว่าเออแต่งงานดีกว่านะเราชอบกับผู้หญิงไว้จะได้มีความสุขนะหรือชอบกับผู้ชายจะได้มีความสุขจะได้สมหวังในชีวิตนะบางทีก็ไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมามาแต่งงานจัดงานาใหญ่โตนะก็เป็นหนี้ในตรงนี้แล้วนะพอแต่งงานไปปับ๊บบางทีคิดว่าจะมีความสุขมันก็ไม่มีความสุขจริงๆนะ พระบางทีนะอย่างผู้ชายคิดว่าออแต่งงานไปแล้วผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนแปลงนะจะเป็นคนดีเอาใจเอ า, เ อ, าอกเอาใจอย่างเก่าะจะน่ารักอย่างเก่านะจะแต่งตัวสวยๆอย่างเก่าอจะมีการพูดจาน่ารักนะยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสอย่างเก่าปรากฏว่าแต่งไม่เท่าไหร่ผู้หญิงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเนา ะ, ะจากที่เคยเอาใจก็ไม่เอาใจะจากที่หน้ายิ้มยิ้มก็กลายเป็นหน้าบึ้งกลายเป็นคนขี้งอน นะจากที่ดูแล้วออน่าจะขยันกลับกลายเป็นคนตื่นสายนะไม่ค่อยชอบทำงานนะจากการที่คิดว่าสวยจริงแต่จริ ง, รงๆแล้วพอแต่งไม่แต่งหน้าก็ไม่สวยเนะมื่อก่อนเคยแต่งตัวดูแล้วน่ารักปรากฏว่ากลับไม่ค่อยแต่งตัวปล่อยเนื้อไปตัวไปนะก็เกิดความเบื่อหน่าย้นะอ้นึกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแตทท่ที่จริงก็เปลี่ยนแปลงไปนะก็ตัวเองก็รู้สึกไม่มีความสุขจริงๆนะ หรือผู้หญิงคิดว่าผู้ชายน่าจะเปลี่ยนแปลงนะผู้ชายนี้กินเหล้าสูบูรีไม่ค่อยขยันทำงานแต่คิดว่าเมื่อเขาแต่งงานกับเราแล้วเขาน่าจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นน่าจะไม่กินเหล้าไม่สุบูรีน่าจะขยันทางานแต่ปรากฏว่าเมื่อแต่งมาแล้วผู้ชายก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะก็ยังคงกินเหล้าสูบูรีนะแล้วก็ไม่ค่อยขยันทำงานเท่าไหร่อยู่ไปอยู่มาปรากฏว่า กลายเป็นคนเจ้าชู้ขึ้นมาอีกนะไปมีสนใจผู้หญิงคนอื่นขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปในที่เราหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงก็กลับไม่เปลี่ยนแปลงมีความทุกข์บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นทะเลาะวิวาทกันกลายเป็นการจุดเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อก่อนตอนเป็นแฟนก็ได้ทํำไ้เรื่องเล็กนิดเดียวเขาก็ให้อภัยเราพูดดีกับเราพอตอนนี้เรื่องเล็กนิดเดียวก็ไม่ยอมกันไม่ยอมไม่ยอมกันต่างคนต่างไม่ยอมนะ ก็กลายเป็นทะเลาะวิวาสนะในที่สุดก็อาจจะเลิกกันอาจจะต้องอย่าล้างกันนะนี่ก็คืออ่าเราเห็นไหมว่าตรงนี้นะมันหาความสุขตรงนี้ไม่ได้เลยเนาะอะบางทีพอแต่งงานมาแล้วออไว้มีลูกจะมีความสุขอ่าพอมีลูกปับ๊บเอาแล้วนะใครจ่ายนะเราเคยใช้จ่ายเดือนละอสองหมื่นพอมีลูกเพิ่มขึ้นมาเลยหนึ่งหมืนนะเป็นสามหมื่นเราจะไปหาเงินที่แต่มาพอ นะพอเด็กยิ่งโตก็ต้องใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆนะไหนจะเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวอาหารการกินอพอส่งไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้โรงเรียนนี่ค่าเทอมนี่เป็นหมื่นๆแล้วคนะ่าใช้จ่ายตามมาเฉพาะเด็กคนนึงนี่ถ้าค่าใช้จ่าน่าจะเป็นแสนเลยน ะ, ะเป็นแสนต่อปีนะยิ่งถ้าเรียนโรงเรียนดีๆ น, นี่น่าจะหลายๆแสนนะตรงนี้ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มมาเราจะหาได้อย่างไรนะที่เราคิดว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขมันก็มีความสุขเล็กน้อยนะ แต่จริงๆแล้วมันก็นําความทุกข์มาให้เราอีกเหมือนกันนะแล้วเด็กนะั้นเราก็จะหวังได้ไม่ไหวอีกหน่อยเขาจะดีกับเรานะเพราะเด็กทุกวันนี้พอโตขึ้นมาปุ๊บก็ไม่เชื่อฟังเราแล้วมาไปเชื่อฟังเพื่อนมากกว่านะเลยไปติดสิ่งต่างๆเยอะแยะเลยนะทุกวันนี้ก็มีสิ่งต่างๆให้เด็กติดเยอะมากมายนะนะคอมพิวเตอร์ก็มีเกมอันตรายนะมีเว็บไซต์อันตรายเยอะๆยากเสพติดก็มากมายนะหรือสิ่งที่ไม่ดีมากมายที่เรารู้ไม่ทัน เราจะไปหวังได้ไหมว่าเขาจะดีตามใจเราเนี่ยที่คิดว่าจะมีความสุขเพราะรูปมันก็บางทีมันก็ไม่ค่อยมีความสุขจริงๆนะคราวนี้พอเราคิดว่าเออมันหาอะไรลําบากนะอีกหน่อยพอแก่แล้วเนี่ยไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมดีกว่าเนะาะคราวนี้คิดว่าพอแก่แล้วมาปฏิบัติธรรมพอจะมาปฏิบัติธรรมปรากฏว่าเอาไม่สบายซะแล้วนะ อ, อุตส่าห์หาเงินมาทั้งชีวิตเก็บไว้ต้องเยอะว่าจะได้มีความสุขสบายมาปฏิบัติธรรมสักทีหนึ่ง บางทีก็มาไม่ได้เนะเาะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลต่างๆนะหรือจะมาก็ติดขัดเยอะอจะมาปฏิบัติธรรมปรากฏว่ า, าที่บ้านบอกว่าอย่ามาเลยนะมาลำบากนะที่บ้านเราอยู่ตรงนี้ดีกว่านะาหรือไม่ก็ไปเที่ยวกันดีกว่านะาหรือไม่เออเราค้าขายไม่มีโอกาสที่มาง่ายๆหรอกนะติดขัดไปสารพัดนะมันก็ไม่ได้มาสักทีนึง ว่าอยากจะมาที่วัดนะตั้งใจมาเป็นปีนะพอมาที่วัดสองวันโอโ้อยากกลับบ้านอีกแล้วนะกลับบ้านดีกว่านะเวลาอยู่บ้านอยากมาอยู่วัดเวลาอยู่วัดอยากจะกลับบ้านนะนี่แหละมันก็เลยหาความสุขจริงๆไม่ได้สักทีหนึ่งนะนะรอว่าเมื่อไหร่มันจะมีความสุขนะรอให้ลูกให้โตก่อนนะจะมีความสุขนะมันก็หาความสุขไม่ได้สักทีหนึ่งนะ เมื่อลูกโตแล้วอ่ะปรากฏไปแต่งงานออกมาเป็นหลานให้เราเลี้ยงดูอีกมันก็ต้องเลี้ยงหลา น, ลานต่อไปอีกเนาะรอว่าหลานโตแล้วเนี่ยเขามีเย้ามีเรือเรามีความสุขสักทีหนึง่งแต่จริงๆแล้วมันก็หาความสุขไม่เจอะแม้แต่วันตายมันก็ยังไม่เจอจริงๆสักทีหนึง่งเพราะความสุขมันไม่ได้อยู่ในตรงนั้นนะอความสุขไม่ได้ว่าเราไปหวังว่าตรงไหนมันเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วมันหวังอะไรไม่ได้เลย เพราะความสุขจริงๆแล้วอยู่ในใจอย่างเราทั้งหมดนะเราจะไปหวังจากภายนอกหรือภายในมันก็ไม่ได้นะแต่กลับมารู้จักตัวเองนี่แหละกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี้นะการที่เราคิดไปในอดีตก็แล้วแต่นะมันก็มีแต่ความทุกข์คิดไปนอนาคตก็แล้วแต่มันก็มีแต่ความทุกข์มันเป็นความหวังเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่เป็นความจริงนะแต่ความจริงในขนาปัจจุบันนี้เรารู้ไหมนะ ไม่ว่าเราจะมีความทุกข์ผ่านมาสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่กลับมาอยู่กับความจริงดีกว่าเนาะกลับมาอยู่ความจริงตรงเนี้ว่าเรานั่งอยู่เรารู้ไม่ว่าเรากำลังนั่งเราฟังอยู่รู้ไม่ว่าเรากําลังฟังหรือเรากำลังเคลื่อนไหวเรารู้ไม่ว่าเรากําลังเคลื่อนไหวเพราะตรงนี้คือความจริงตัางหากนะความจริงที่มันไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนะสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเรานี่คือความจริงนะเพราะว่าความจริงนี้คือปัจจุบัน นะความจริงเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ไปคิดอะไรนะแต่ถ้าเรา อ, อย่างเช่นเมื่อวานเราไปทำอะไรไปกินอะไรนะเราก็เราไปคิดแล้วนะหรือประเดี๋ยวเราจะไปไหนนะพุ่งนี้จะไปไหนนั่นคือเราต้องไปคิดแล้วนั่นคือไม่ใช่ความจริงนะนั่นคือความคิดนะเรากลับมาอยู่กับความจริงนะตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเมื่อไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนั่นแหละ มันก็ไม่เคยมีความทุกข์อะไรนะเพราะความทุกข์มันก็คือการหลุดไปจากปัจจุบันเข้าไปในอดีตหรืออนาคตมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นมาเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะความปรุงแต่งนี้มันเป็นก็เป็นความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะจะไปเอาอะไรกับความไม่แน่ไม่นอนนะเราคิดว่าเออพรุ่งนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้แต่มันไม่เป็นแบบนี้เราก็มีความทุกข์แล้วนั่นแหละคือความไม่แน่ไม่นอนนะความไม่แน่ไม่นอนก็คือความทุกข์นั่นเองนะแต่ถ้าเราอยู่ความจริงนี่มันเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะว่าอะไร ความจริงก็คือตรงนี้นั่แหละเรารู้สึกตัวไหมนะการที่เรารู้สึกตัวนี่คือความจริงน ะ, ะความจริงมันไม่ได้ทําเราทุกข์ of of life, แต่มันเป็นความรู้สึกตัวกันมาแทนนะเป็นความรู้นะที่ออกจากความคิดได้นั่นเองนะอะความคิดนั้นก็คือความหลงไปนะหลงไปในความคิดไปในอดีตอนาคตแต่ความรู้นี่คือรู้ในปัจจุบันเท่านั้นนะอรู้นี่มันไม่ใช่คิดแต่เป็นการรู้ในปัจจุบันนะ การที่เรารู้ว่าเรานั่งก็ดีรู้ว่าเรากําลังยกมือก็ดีหรือรู้ว่าเรากาลังหายใจกําลังกระพริบตาต่างๆเหล่านี้อันนี้คือความจริงนะเป็นความรู้สึกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้ได้นะเมื่อเราอยู่กับตัวรู้เนี่ยแหละมันก็ไม่ได้เป็นความสุขแต่มันก็ไม่ทุกข์นะมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ว่าเราก็สัมผัสได้ว่าเออตรงนี้นี่แหละมันคือการที่เรารู้เฉยๆนะรู้ในการขึ้นไหวไปเรื่อยๆ มันก็มีความรู้ในตรงนั้นทําให้เราติตมันก็มีความนิ่งความสงบในระดับหนึ่งก็คือมันสงบในการที่มันจะตื่นรู้นั่นเองนะพอเราติดมันตื่นรู้มันก็สามารถที่จะไปรู้เท่าทันความคิดละอารมณ์ต่างๆได้นะเราจะก็จะเห็นว่าเออความคิดละอารมณ์ต่างๆนั้นมันก็มาชั่วคราวเท่านั้นมันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานนะแต่ตอนเราไม่เห็นเราก็รู้สึกว่ามันก็คิดนานคิดไปเรื่อยๆนะมันไม่มีความสิ้นสุดสักทีหนึ่งนะนั่นแหละเพราะเราไม่รู้ทันมัน แต่พอเรารู้ทันมันแล้วก็เห็นว่าอพอเรารู้มันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานนะมันก็ไปมันก็ไปแล้วนะเนี่มันก็เห็นสภ า, าวะที่เข้ามาแล้วก็ไปอันนี้ก็ชื่อว่าเราได้เห็นธรรมะแล้วนะก็คือเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะธรรมที่เข้าแสดงความไม่แน่ไม่นอนนะเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้จิตมันก็จะเกิดความเข้าใจว่าโอ้ทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงนั่นเองนะเข้ามาแล้วก็ไปนะแสดงว่าเขาก็ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ใช่ไหม ถ้าเขาทนอยู่ในสภาพวะเดิมได้ก็คือเขาก็จะคิดไปเรื่อยๆนเขาก็ไม่หยุดอ่แต่พอเราสังเกตเห็นความคิดแล้วเขาก็หยุดเพราะเขาทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะครั้นี้เราก okay. <idir. S 2> ็กลับมาเห็นความคิดอีกโอ้ความคิดนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดเลยนะแต่มันก็คิดทำไมไปเรื่อยๆแสดงว่าเราก็บังคับเขาไม่ได้หลอกความคิดนี้นะอถ้าเราบังคับเขาได้ก็น่าจะหยุดคิดนะหรือคิดหยุดคิดสักห้านาทีได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเขาก็คิดเข้าต่อนะ ครั้นเราก็จะเห็นความคิดแล้วว่าเราบังคับเขาไม่ได้เลยเข้ามาเองนะเขาคิดเขาเองนะั้เราไม่ได้อยากคิดเขาก็คิดเขาเองนะแล้วเขาก็คิดเรื่อยๆนะวันนึงก็คิดตั้งหลายครั้งนะครั้นเมื่อก่อนก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดหลายครั้งหรอกนะเราคิดว่าเราบังคับเขาได้ด้วยนะแต่เรามาสังเกตดูโอ้เขาคิดวันนึงหลายครั้งมากนะอแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเราบังคับเขาไม่ได้จริงๆนะแล้วการที่เราบังคับเขาไม่ได้นั่นแหละ ก็เพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวเมตตนของเราะถ้าเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็ต้องบังคับเขาได้ตามที่เราต้องการะแต่เพราะเหตุที่เขาไม่ใช่ตัวเมตตนเราจึงบังคับเขาไม่ได้เนี่ยคราวนี้ตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นธรรมะขึ้นมาตามลําดับแล้วจากแค่ความคิดเท่านั้นเองเนาะมาเป็นสิทธิ์ที่ว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้เลยะแล้วเขาก็ทนในสภาวัเดิมไม่ได้แล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันนะที่ว่าเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเดี๋ยวความคิดนี้มันก็เข้ามา มันก็มาทํามื่อเรามีความสุขบ้างนะคิดถึงอดีตมีความสุขอ่คิดถึงอดีต ท, นะ ท, ที่มีความทุกข์บ้างนะหรือประเดี๋ยวตอนนี้มันก็ใจสบายๆนะแต่พอไปกระทบนะลมที่พัดมานะเย็นๆนะหนาวๆนะเราก็รู้สึกโอ้มันหนาวแล้วเราก็มีความไม่ค่อยชอบใจในความหนาวนั้นเกิดขึ้นแมันก็เป็นแปลงเป็นความไม่พอใจขึ้นมาอีกนะหรือบางทีนะนั่งนั่งอยู่นะ เห็นคนที่เดินมาเป็นคนที่เรารู้จักเราก็เกิดความดีใจขึ้นมานะความดีใจก็คือความเปลี่ยนแปลงจากการปกติกลายเป็นดีใจแล้วนะตรงเนี้มันก็คือความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนของจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมันจะเปลี่ยนแปลงมันทั้งวันตรงนี้นะเราสังเกตไหมนะถ้าเราสังเกตได้นี่ก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วว่าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งวันนะแล้วเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเลยทําอย่างไรนะนะตอนนี้เราอาจจะมีการกระทบว่า บางคนเข้ามานินทาเราแล้วเราเกิดได้ยินขึ้นมาแล้วเราก็เกิดความไม่พอใจในการนินทานั้นนะเกิดความไม่พอใจแล้วเราจะทําอย่างไรนะหน้าที่ของเราก็คือรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะเราไม่มีหน้าที่ไปกําจัดความไม่พอใจนั้นนะนะเพราะการที่ไปกําจัดนั้นก็เป็นการแทรกแซงสภาวธรรมแล้วว่าเราไม่ต้องการเราก็แทรกแซงก็ดับไปอันนี้ก็คือไม่ใช่ความจริงที่เราจะกระทําใน ส, สิ่งเหล่านั้นนะ นะเพราะธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือการรู้ตามความจริงเป็นจริงที่เขาเป็นไม่ใช่ไปให้เขาเป็นตามที่เราต้องการนะการที่เราไปแทรกสังซุกทุกทุ ก, ทกสภาวะธรรมนะเช่นความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เขาดับไปอันนี้คือการแทรกสั่งทั้งหมดนะมันไม่ใช่เป็นการที่เรียกว่าเรารู้ตามความเป็นจริงของธรรมะเนะพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นในใจของเราก็แล้วแต่นะเป็นความพอใจความไม่พอใจเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการสิ่งใดๆทั้งนั้นนะ ไม่มีหน้าที่ไปผักใสให้เขาดับไปหรือไม่มีหน้าที่ที่จะไปโอบอ้อมกอดเขาให้อยู่กับเรานานๆนะเรามีหน้าที่เพียงเขารู้เฉยๆเท่านั้นการรู้เฉยๆก็คือเมื่อเรารู้ความจริงนตรงนั้นแล้วเนะี่ว่าเขาเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเขาก็จะดับไปเราเห็นต่อหน้าต่อตานะอ่าเราจะได้เห็นความจริงว่าเขาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยตัวเราเองซึ่งไม่ได้เกิดฝีมือเราที่เราไปจัดการให้เขาดับไปนะนี่คือความจริง แต่เราไปจัดการให้เขาดับไปเราก็จะไม่เห็นความจริงว่าเขาดับไปโดยตัวเขาเองเราก็จะไม่เห็นสภาวะความเกิดดับตามความเป็นจริงนะบางคนมีความโกรธแล้วเราก็ไม่คิดว่าอ่าเมื่อไหร่มันจะดับสักทีนะนะเมื่อไหร่มันจะดับเราก็เลยหาทางจัดการให้มันดับซะเลยนะอันนี้เพราะว่าเราใจร้อนเกินไปนะเราก็จะไม่สัมผัสความจริงตรงนั้นนะแต่เราใจเย็นๆอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจเราก็แล้วแต่แม้แต่เป็นความโกรธที่มันตั้งอยู่นานก็ไม่เป็นไระเรารู้เฉย เมื่อรู้เฉ ย, ยๆแล้วเขายังตั้งอยู่ก็ไม่เป็นไรอีกนะนี่ก็คือการรู้เฉยๆนะแต่เขารู้เฉยๆแล้วมันก็ไม่ดับไปเราไปจัดการนั่นคือไม่รู้เฉยๆแล้วนะเพราะเม mm ื่อรู้เฉยจริงๆมันก็สามารถที่ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของเราได้นะการยอมรับนั้นแหละจะทําเราไม่ทุกข์แต่ตามไดที่เราไม่ยอมรับเราไปต่อต้านเมื่อไหร่นั่นคือความทุกข์แล้วนะเพราะทุกอย่างเราไปจัดการเข้าไม่ได้เลยนะเราไม่น้าที่เพียงตามรู้ตามเห็นเท่านั้นตามความเป็นจริง ทุกอย่างเราก็บังคับเขาไม่ได้ด้วยเขาจะเกิดก็เกิดเขาก็จะไปก็ไปเราไม่อยากเขาโกรธเขาก็โกรธเขาเองนะไม่อยากจะรักเขาก็รักเขาเองมันเกิดเหมือนกับความคิดนะความคิดเราไม่อยากคิดเขาก็คิดเขาเองเพราะฉถ้าเราเข้าใจอย่างตรงนี้ก็คือว่าความรักและความชังเขาเกิดเองไม่ใช่เราเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยสภาวะธรรมของเขาเองเพียงแต่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าความรักและความชังเป็นของเราเท่านั้น เราก็จะออกมาเป็นผู้ดูได้นะแต่ถ <ador ant> ้าเราไปคิดว่าความรักเป็นความชังเป็นของเราเราก็จะไม่เป็นผู้ดูแต่เราก็จะกลายเป็นผู้เป็นไปเราก็จะมีความทุกข์ในตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในตรงนี้ก็คือเรามีหน้าที่เป็นผู้ดูผู้รู้เราไม่ได้เป็นผู้เป็นนะเราก็จะไม่มีความทุกข์หรือความทุกข์ก็จะน้อยลงเราก็จะเห็นสภาวะที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามความเป็นจริงเพราะเราไม่ได้ไปบังคับเขาให้เขาดับตามที่เราต้องการนะเรามีหน้าที่เป็นผู้ดูเท่านั้น เขาดับไม่ดับไม่ใช่หน้าที่ของเราเราเป็นแค่ผู้สังเกตการนะเพราะงัการที่เราปฏิบัติธรรมในพุทธนันนี้ไม่ใช่เราไปจัดการกับสิ่งต่างให้เป็นไปตามใจเราเรามีหน้าที่เป็นแค่ผู้สังเกตการเป็นผู้ดูเท่านั้นนะเป็นผู้ดูห่างๆไม่มีการจัดการใดๆนะเป็นเพียงการที่เรารู้เฉยๆในตรงนั้นจริงๆนะเราก็จะกลายเป็นว่าเออเนี่ยทุกอย่างนะมันก็จะเห็นสภาวะที่ว่าเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงนั่นแหละ ความเป็นทุกข์ขังก็คือความที่เขาทนในสภาวเดิมไม่ได้แล้วก็ความที่เขาเป็นอนัตตาไม่ไตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้ก็จะมาตรงกับที่เมื่อกี้ที่เราสวดนักตัดลักนัสูตรที่พระเจ้าได้ถามพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณคือกายและใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ควรหรือจะตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นพระเจ้าข้าหลังนั้นพระเจ้าก็เลยแยกแยะแต่ละขันให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าขันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาอย่างไรนะหลังจากที่จบการที่ท่านแสดงแล้วปรากฏว่าปัญญวาคีก็เบรรลุเป็นพระอรหันทั้งหมดเลยเนาะก็คือเข้าสู่ความเป็นจริงว่าทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกขและเป็นหน้าตาไม่ตัวไม่ไม่ไม่ใช่ตน นี่แหละคือการที่เป็นความจริงซึ่งเหล่านี้คือศสนาธรรมนะถ้าเราทุกคนนะไม่ใช่ปัญญวะครียงเดียวทุกๆกคนเมื่อเข้าถึงศาสนาธรรมนี้แล้วมีความเข้าใจในสภาวธรรมจริงๆแล้วในตรงนี้ทุกคนก็มีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทุกคนเนาะนะเพราะนั้นในโอกาสนี้ขอทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพรรลุดได้โดยเลยพันทุกท่านเทอญ